ภิกษ really ุนั้นขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที ane, ท่ปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นทีท่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วท่านภิกษุนี้ต้องอาบัตเหล่านั้นภิกษุนี้อยู่ปริวาทเพื่ออาบัตเหล่านั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย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 อัหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวระลึกได้แต่ปิดไว้อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้โดยระลึกไม่ได้ภิกษุนั้นขอปริวาสสองเดือนกับสงเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสสองเดือน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 อันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนคืออาบัตหนึ่งตัวแน่ใจแต่ปิดไว้อาบัตหนึ่งตัวปิดไว้โดยไม่แน่ใจภิกษุนั้นขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนกับสง สงได้ให้ปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัติเหล่านั้นที่ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุนั้นกําลังอยู่ปริวาทภิกษุอื่นผู้เป็นพระหูสูตรเชี่ยวชาญปริยัตทรงธรรมทรงวิไนทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังฝ่ายการศึกษามาถึงกล่าวอย่างนี้ว่า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 การให้ปริวาสเพื่ออาบัติที่แน่ใจแต่ปิดไว้ชอบธรรมความชอบธรรมย่อมฝังขึ้นส่วนการให้ปริวาสเพื่ออาบัตที่ปิดไว้โดยไม่แน่ใจไม่ชอบธรรมความไม่ชอบธรรมย่อมฟังไม่ขึ้นท่านทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ควรแก่มานัตเพื่ออาบัตหนึ่งตัว